จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สาสบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันสิ้นปีเป็นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เป็นวัน สุดท้ายของปี 2,559 เป็นเวลาที่พวกเราควรจะมาย้อนดูย้อนถอยหลังไปถึงเมื่อวันต้นปีคือวันปีใหม่ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้เราได้ทำอะไรกันไว้บ้างเพราะเราไม่สามารถย้อนกลับไปลบมันไปเปลี่ยนมันได้แล้ว มันผ่านไปแล้วแล้วเราทำอะไรไปแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเราในที่นี้หมายถึงจิตใจของพวกเราเป็นหลักส่วนร่างกายนี้เป็นรองอะไรจะเป็นกับร่างกายนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่ากับอะไรที่จะเป็นกับใจของเราเพราะร่างกายของเราไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเรา แล้ววันหนึ่งมันก็ต้องหมดสภาพไปแต่ใจของพวกเรานี้เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวที่ไม่มีวันหมดสภาพเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำต่างๆของเราตั้งแต่วันที่หนึ่งของปีนี้มาจนถึงวันที่สาสอนี้เราก็ได้ทำอะไรกันมา มากมายหลายหลกหลาก ห, หลายด้วยกันแล้วมันก็จะมีผลต่อจิตใจของพวกเราต่อความเป็นไปของจิตใจของพวกเราเพราะการกระทาต่างๆนี้และเป็นตัวที่จะลิขิตชีวิตของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นหรือให้ต่ำลงให้เลวให้เลวลงไม่มีใครในโลกนี้ จะมาลิขิตชีวิตของพวกเราได้การกระทำของพวกเรานี่แหละเป็นผู้ลิขิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกรรมลิขิตสัตว์ตั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กําเดินมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำว่ากรรมนี้มีหลายความหมายแต่ในที่นี้หมายถึงการกระทาที่อื่นอาจจะหมายคําว่ากรรมแปลว่าบาปแต่ที่นี้ไม่ได้หมายคําว่าบาปคําว่ากรรมในที่นี้คือการกระทาทางกายวาจาใจเรียกว่ากรรมทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมทางใจก็เรียกว่าโมโนกรรม มโมกกรรมคืออะไรก็คือความคิดต่างๆที่เราคิดกันอยู่ทุกวันคิดแล้วก็พาให้เราไปพูดพาให้เราไปกระทำถ้าเราไม่คิดเราจะพูดไม่ได้ทำไม่ได้เช่นคนตายนี้ไม่มีใจไม่มีผู้คิดก็เลยทำอะไรไม่ได้นอนอยู่เฉยๆแต่คนที่มีใจนี้ยังคิดได้ยังสั่งได้ สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้เมื่อคิดแล้วพูดไปแล้วทำไปแล้วก็จะเกิดวิบากตามมาคำว่าวิบากก็คือผลของการคิดการพูดการกระทาของเรานี่เองขึ้นอยู่กับว่าจะดีหรือไม่ดีวิบากของเรานี้อาจจะได้เป็นผลดีอาจจะได้เป็นผลไม่ดีขึ้นอยู่กับ ความคิดการพูดการกระทาของพวกเราถ้าเราคิดไปในการทำบุญพูดในเรื่องบุญทำเรื่องบุญใจเราก็จะได้ผลดีเพราะบุญนี้เป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศใจเราเหมือนห้องถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศใจเราจะเย็นถ้าเราทำบุญ ใจเราจะเย็นจะมีความสุขถ้าเราทำบาปใจเราจะร้อนใจจะทุกข์เนี่ยความสุขความทุกข์ของใจเรานี้ไม่ได้อยู่ที่การมีมากมีน้อยมีอะไรหรือไม่มีอะไรแต่อยู่ที่การคิดการพูดการกระทำของเราถ้าเราคิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปลดเดิ่มสุรายามเมาคิดแล้วเราก็จะไปพูดไปทําไปสั่งให้เขาซื้อสุรามาให้ดื่มไปสั่งเออไปชวนให้คนนั้นมาทําประพฤติผิดประเวณีกับเราหรือสั่งให้ร่างกายไปลักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอคิดแล้วพูดแล้วทําแล้วผลก็จะเกิดขึ้นคือวิบาก ใจก็จะร้อนขึ้นมาร้อนด้วยความกังวลร้อนด้วยความหวาดกลัวก็ เ, เมื่อทำบาปแล้วก็กลัวจะต้องไปรับผลบาปนั่นเองเวลาเราไปทำร้ายใครนี่เราก็จะกลัวเขาจะกลับมาทำร้ายเรานี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำบาปมันเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอให้ตายไป เราทำบาปป้๊บในใจของเราร้อนขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาจากเป็นมนุษย์ก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับการทำบาว่าหนักหรือเบาหรือทำด้วยเหตุผลกลไกใดถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันก็จะเป็นนรกขึ้นมาเป็นทันทีทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ตายไปใจของเราได้กลายพัน์ไปแล้วจากเป็นมนุษย์นี้ มากลายเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การกระทาของเราการกระทาของเรานี่แหละเป็นผู้ลี้คิตว่าเราจะเป็นอะไรเพียงแต่ว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรายังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้อาจจะเป็นสุนัขเพิ่งนี้อาจจะเป็นเทวดาก็ได้ อย่างวันนี้เรามาเป็นเทวดากันเทวดาเกิดขึ้นได้อย่างไรเทวดาก็เป็นผู้ที่ไม่ทําบาปเป็นผู้ทําบุญทําบุญละบาป ก, ก็จะได้เป็นเทวดาเป็นเทวดาทั้งที่ในขณะที่จิตใจร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจได้เลื่อนขั้นขึ้นไปแล้วเลื่อนขั้นด้วยการทําบุญด้วยการไม่ทําบาป จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยจะได้นานไม่นานก็อยู่ที่ทำทาบ่อยหรือไม่บ่อยมากหรือไม่มากถ้าทำาป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับไปรักทรัพย์กลับไปโกหกก็จากเทวดาก็จะลงมากลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตต่อไปใจเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ใจเรายังขึ้นๆล ง, ลงๆอยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้เราใส่ชุดขาวพรุ่งนี้เราใส่ชุดดํเาเลนนี้เราใส่ชุดสีเขียวสีแดงเปลี่ยนไปตามการกระทําของเราถ้าเราทําบุญใจเราก็จะเป็นเทพไปถ้าทําบาปก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้เป็นไม่ได้ทําบาปก็จะเป็นมนุษย์ต่อไป เช่นเวลาที่เราเกิดมาใหม่ๆนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรตอนนั้นใจเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ได้ทําบุญยังไม่ได้ทําบาปเพราะยังไม่มีความสามารถที่จะใช้ร่างกายพาไปทําบุญหรือพาไปทําบาปได้ตอนนั้นก็เลยยังเป็นมนุษย์อยู่เวลาเกิดมาใหม่ๆนี้เพวกเราเป็นมนุษย์กันแล้วก็เริ่มกลายพันกันกลายเป็นเทวดาบ้าง กล า, า, ายเป็นพมบ้างกลายเป็นพระอริยะเจ้ากลายเป็นพระพุทธเจ้าบ้างอย่างเจ้าชายสิทธัตถานีเวลาเกิดออกมาก็เป็นมนุษย์แล้วต่อมาก็ไปบวชพอไปบวชแล้วก็ไปเจริญสติสมาธิปัญญาไปเจริญศีลแล้วใจก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งทั้งที่ยังไม่ตายไป ใจได้ไปถึงพระนิพพานแล้วใจได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดอยู่ที่การกระทำของเจ้าชายสิทธัตถนี่เองที่คิดว่าจะต้องบวชจะไม่ไปจะไม่อยู่เป็นมหาจากักรพรรดิเพราะเป็นมหาจากักรพรรดนี้จะต้องทาสงครามทำสงครามก็จะต้องทาผิดต้องทำบาปต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านไม่ชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พรในาอดีต ท, ท่านเคยเป็นพระเวชสันดรมาท่านเคยทำบุญทำบุญแล้วใจเย็นใจมีความสุขทำบาปแล้วใจร้อนใจมีความทุกข์ท่านจึงไม่ชอบทำบาปชอบทำบุญพอมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็คิดแต่จะทำบุญพอเห็นว่าต่อไปร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ความสุขต่างๆที่เราใช้ร่างกายหามาก็จะหมดไปเราจะไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้ต่อไปท่านเลยบอกว่าอยู่ไปก็จะต้องพบกับความทุกข์สู้ไปบวช ด, ดีกว่าเพื่อจะได้พ้นทุกข์ได้ถ้าโชคดีไปเจอทางที่พาให้ไปสู่การพ้นทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ได้ท่านก็เลยคิดบวชแล้วก็ออกบวช พอบวชแล้วก็รักษาศีลศึกษาวิธีทําใจให้พ้นทุกข์ในที่สุดก็ได้พบกับการพ้นทุกข์ไม่ต้องมีความทุกข์ภายในใจอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ก็เป็นผลของกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทําไว้ในชาติปัจจุบันของท่านการที่เป็นพระพุทธเจ้านี้เกิดจากที่ท่านปฏิบัติ ไม่ใช่เกิดเพราะว่าท่านเคยทำมาในอดีตในอดีตส่งมาให้ท่านได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่จะจากเจ้าชายสิทธัตถะไปเป็นพระพุทธเจ้านี้จะต้องเดินทางอีกขั้นนึงต้องเดินเดินทางต่อเหมือนบุญกับบาปที่เราทำไวในอดีตมันส่งให้เรามาเกิดที่นี่วันนี้และเราจะไปที่ต่อไปที่สูงกว่านี้หรือที่ต่ำกว่านี้ เราก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้เราไปสูงหรือไปต่บถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้คือเป็นมนุษย์เราอยากจะไปเป็นเทวดาเราก็ต้องพยายามรักษาศีลไว้ไม่ทำบาปให้ได้แล้วทำบุญเป็นประจำทำบุญอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ทำบุญแค่วันสิ้นปีหรือวันปีใหม่ถ้าทำแค่นี้เดี๋ยวมันก็หมดมันน้อย เหมือนกินข้าวเราต้องกินทุกวันความอิ่มมันจะได้มีอยู่เรื่อยๆถ้ากินปีละหนเดียวนี่มันจะมีแต่ความหิวรอวันสิ้นปีวันปีใหม่ค่อยมากินกันสักครั้งหนึ่งนี่ก็ตายไปก่อน <Yeah. S 1> งั้นถ้าเราอยากจะเป็นเทวดานานๆเทวดาที่ดีที่สูง <Yeah. S 1> ก็ต้องไม่ทำบาปแล้วก็รักษาศีลให้ได้รักษาศีลแล้วก็ทาบุญทุกวัน ทำบ่อยๆ อ, อย่างชาวบ้านนี้เขามีโอกาสได้ทำบุญทุกวันเขาได้ใส่บาตรทุกวันเพราะมีพระมาบิณฑบาตพวกเราที่ไม่มีพระมาบิณฑบาตถ้าเราอยากจะทำบุญทุกวันอยากจะใส่บาตรทุกวันเราก็ยังทำได้โดยการเอาเงินที่เราจะไปซื้อกับข้าวกับปลาใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไว้ก่อนวันนี้ก็ใส่ไปพรุ่งนี้ก็ใส่ไปใส่มันไปทุกวันทุกวัน พอวันไหนเรามาวัดเราก็เอาเงินที่ใสก่กระปุกนี้มาซื้อข้าวของซื้อกับข้าวกับปาอาหารหรือไม่เช่นนั้นก็เอามาถวายเป็นเงินทองเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับทางวัดทางวัดก็มีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรจิ ป, ปาทะเราก็สามารถทาบุญได้ทุกวันถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เวลาเรามาทาบุญกันเราจะมีเงินน้อย เพราะว่าเราจะเอาเงินที่เราไม่ได้ใส่กระปุกนี้ไปไปซื้อของเล่นของกินของดื่มไปเที่ยวไปทําอะไรกันเงินจะทําบุญเลยไม่ค่อยมีกันถ้าเราอยากจะไปสวรรค์อยากจะเป็นเทวดาเนี่ยเราต้องพยายามทำบุญทุกวันเอาเงินใส่กระปุกวันไหนไม่ได้ใส่บาทก็เอาเงินที่จะซื้อของซื้อข้าวซื้อกับข้าวใส่บาทนี้ใส่กระปุกไว้ แล้วก็เขียนไว้ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นอันนี้ไม่ใช่เงินของเราเป็นเงินทำบุญไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเวลาไม่มีเงินขาดเงินก็จะไปแกะกระปุกเอาเงินมาใช้ใชบุญก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวบุญก็หายไปหมดเลยไม่ได้เป็นเทวดาแล้วดีไม่ดีถ้าไปทำบาปก็จะกลายเป็นเปรตไปกลายเป็นเดรัจฉานไปนั้นเราต้องระมัดระวัง ถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราเป็นเทวดาเราต้องพยายามรักษาศีลให้ได้ทุกวันแล้วก็พยายามใส่บาตรทุกวันทาบุญทุกวันวันละหาบาท10บบาทก็ใส่เข้าไปในกระปุก <c oughs> เดี๋ยวเดือนหนึ่งมันก็ได้ต้องหลาย้อยลนะ <c oughs> พอมาวัดก็มีเงินมาทาบุญกัน <c oughs> ได้บุญเยอะๆ <c oughs> ดีกว่าไม่มีเงินมาทาบุญหรือมีนิดเดียว ซื้อข้าวซื้อของมานิดเดียวเราก็จะได้บุญน้อยอาจจะไม่พอกับการที่จะพาเราไปสวรรค์เพราะถ้าเราทำบาปมากกว่าทาบุญเวล า, าตายไปบาปมันจะมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะฉุดลากให้เราไปไปเกิดในอบายเป็นเดรัจฉานเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราทำบุญน้อยกว่าทำบาปเรากำลัง เรากำลังจะเดินไปในทางอบายกันแต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าทบาปเวลาเราตายไปเราจะไปสวรรค์กันนี่คืออนาคตของพวกเราที่พวกเราสามารถกำหนดได้ไม่มีใครกำหนดให้เราได้ไม่มีใครลิขิตให้เราได้เราต้องเป็นผู้ลิขิตเองด้วยการกระทาของเราด้วยความเชื่อ ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่เป็นความจริงการเป็นเทวดาการเป็นเปรตนีเป็นของจริงเกิดขึ้นกับเราในขณะนี้แล้วเวลาเราทำบาปนี่เราเป็นเดรัจฉานขึ้นมาแล้วเวลาเราทำบุญนี่เราเป็นเทวดาขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นเวลาตายไป ถ้าบุญของเรามีมากกว่าบาปบุญก็จะพาเราไปเป็นเทวดาจนกว่าบุญกับบาปจะมีกําลังเท่ากันก็ไปสวรรค์ต่ออยู่ในสวรรค์ต่อไปไม่ได้จะไปอบายก็ไปไม่ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทําบุญทําบาปกันใหม่ดังนั้นเราจึงควรที่จะพิจารณาย้อนหลังตั้งแต่วันที่หนึ่งมา จนถึงวันนี้ว่าทั้งปีนี้เราทำบุญมากน้อยเท่าไรเราทำบาปมากน้อยเพียงไรถ้าปีนี้เราทำบาปมากกว่าทำบุญปีหน้าเราต้องพยายามทำบุญให้มากกว่าทำบาปเพื่อจะได้มาลกมาต้านกำลังของบาปเพื่อเกิดเวลาเราตายไปถ้าบุญเรามีกำลังมากกว่าบาปเราก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายกัน ไม่ต้องไปเป็นสัตว์สี่เท้าไม่ต้องไปเป็นนกไม่ต้องเป็นแมวไม่ต้องเป็นสุนัข ก, กันนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะย้อนหลังและทบทวนดูว่าปีนี้เราทำบาปอะไรมาบ้างเราโกหกเรายังโกหกอยู่หรือเปล่าเรายังโกงอยู่หรือเปล่ายังลักทรัพย์นักข้าวของของคนอื่นอยู่หรือเปล่าเรายังฆ่าสัตว์อยู่หรือเปล่า ฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าอะไรต่างๆอยู่หรือเปล่าเรายังประพฤติผิดประเวณีอยู่หรือเปล่าเรายังเสพสุราย า, มาเมาอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังทําสิ่งเหล่านี้อยู่เราควรที่จะเลิกกันดีกว่าเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียได้สิ่งที่เราอยากได้มาได้มาก็เอามากินเอามาใช้เดี๋ยวเดียวก็หมดเช่นไปขโมยเงินของคนอื่นมา พอได้เงินมาก็มาซื้อข้าวของซื้ออะไรกินกันแล้วก็หมดละแต่บาปที่มันจะเราจะ ต, ต้องไปใช้นี่มันยังไม่หมดมันรอมันรอแสดงผลตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ทำให้เราไม่สบายใจเวลาเราทำบาปนี้เราจะไม่สบายใจแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะต้องไปอบายกัน ฉันขอให้เรามีฮิริโอตปะถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายให้มีฮิริฮิริก็คือความอายโอตปะคือความกลัวอายอะไรอายบาปนั่นเองเพราะว่าคนทำบาปนี้ไม่สวยงามไม่มีใครยินดีไม่มีใครชอบไปอยู่กับใครนี้มีแต่คนรังเกียจเราอยากจะอยู่กับคนฆ่าสัตวนะ์อยากจะอยู่กับคนลักทรัพนยะ์ห อยากจะอยู่กับคนประพฤติผิดประเวณีไหมอยากจะอยู่กับคนโกโหกหลอกลวงไหมอยากจะอยู่กับคนเดินโซลายาวเมาไหมเนี่ยคนที่ไม่มีศีลเนี่ยเป็นคนที่ไม่สวยงามแต่คนที่มีศีลนี่จะเป็นคนสวยงามและจะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อย่างสมบู ร, รณ์ <c oughs> คนที่ไม่มีศีลนี่แหละไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเป็นเปรตบ้างแล้วเป็นเดรัจฉานบ้างแล้ว นี่คือสิ่งที่เราคิดกันให้เราอายวเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวมองหน้าเราแล้วมองใจเราด้วยว่าใจเรานิสวยเหมือนร่างกายหรือเปล่าร่างกายเราอาจจะสวยวีผ้าวีผมแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าสวยงามแต่ใจเราสวยหรือเปล่าใจเรามีศีลหรือเปล่าถ้าใจเราไม่มีศีลนี่เรายังไม่สวยแล้ว เวลาคนที่เขาคบค้าสมาคมกับเราพอเขาเห็นท่าแท้ของเราเขาก็จะไม่รักไม่ชอบเราตอนต้นเขาอาจจะรักจะชอบเราเพราะเขาเห็นเราแต่งตัวสวยแต่พอเขาเห็นกิริยาอาการที่ไม่ดีออกมาเขาก็จะไม่ชอบเรานี่คือความอายในการกระทําบาป ความกลัว บ, บาปก็คือกลัวผลที่จะตามมามีตั้งแต่ปัจจุบันปัจจุบันใจก็ไม่สบายร้อนรุ่มร้อนวิตกกังวลเจอตำรวจก็ตกใจที่ว่าตำรวจจะมาจับเราบางทีตำรวจเขาไม่รู้เรื่องเรื่องของการทำบาปของเราแต่เรารู้เราก็ตกใจนี่แหละคือ สร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความร้อนรนให้กับใจโดยใช่เหตุอย่าไปทำมันแล้วตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าเรามีฮีริมีโอตปะแล้วเราจะไม่กล้าทำบาปกันเราจะกลัวบาปกันเราจะอายในการกระทำบาปถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ว่าเราทำบาปแต่เราโกหกตัวเราเองไม่ได้เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราดีหรือไม่ดี ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราที่จะเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้คือวันปีใหม่ดีขึ้นกว่าปีนี้ก็ขอให้เราสร้างฮีริโอตปะกันขึ้นมาแล้วก็สร้างศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นของจริงเชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่าทำอะไรแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะกรรมเป็นเป็นผู้ให้เราให้กำเนิดกับเรากรรมเป็นผู้เป็นเผ่าพันธ์ของเรากรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมีฮิริโอตปะ รับลองได้ว่าเราจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเราจะไม่มีวันที่จะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตทุกครั้งที่เราเกิดเราจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเราจะไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตอย่างแน่นอนก็ขอให้เราใช้วันสุดท้ายของปีนี้ให้เป็นประโยชน์มานั่งลำนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทามัน